ด้วยทุกรักกิริยาทําได้ยากเหลือเกินท่านก็ยังไม่บรรลอุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างพิเศษอย่างสามารถขนาดท่านทําอย่างนั้นท่านยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยไม่ได้บรรลุมรคนิพานแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าท่านไม่ได้ฌานนะคือไม่ได้บรรลุมรคนิพานอะไรก็บัดนี้พระองค์เป็นผู้มรคมากเวียนกลับมาบริโภคปัจจัย4ี่ตามเดิม คลายความเพียนเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆก็เหมือนก็มาสังสมปัจจสี่ตามเดิมเนี่ยนะฉะนัจักบรรลุอุตริมนุษธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้แล้วขนาดว่าอดอาหารขนาดนั้นทาแมกลั้นลมหายใจเป็นต้นทําได้ยากขนาดนั้นยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานกลับมาฉันอาหารนั่งสบายๆมันจะบรรลุได้ยังไงว่า ง, างั้น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 เป็นผ่าอรหันตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธะเนี่ยนะก็คือเราเป็นผู้สเสด็จมาอย่างนั้นผู้สเสด็จไปอย่างนั้นตรัสรู้ธรรมะที่จริงแท้เช่นนั้นเป็นผ่าอรหันต์คือกําจัดข่าศึกคือกิเลหสหักซี่กรรมแห่งสังสารวัชชไม่มีความลับในการทําบาปผู้ควรแก่ปัจจัย4บัปัจณิตรัสรู้แล้วตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองเนี่ยนะ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 เพระองค์ก็เลยต้องคุยกันก่อนให้เขามีใจเครียกว่าให้เปิดใจก่อนเนี่ยนะเปิดประตูใจที่จะรับเอาคุณธรรมทั้งหลายพระองค์ก็เลยบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตถาคตนี่เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะตรัสรู้เองโดยชอบนะตถาคตอรหันตะก็สัมมาสัมพุทธายืนยันพระพุทธประตถาคต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 ลำดับนั้นพระปัญจวัคคีย์ก็ยอมเชื่อก็คื อ, ค อ, คอเรื่อมใสเนี่ยนะมีศรัทธาที่จะฟังเรียกว่ายอมเชื่อที่จะฟังก็คือจิตใจนี้ผอ่องใสเครียกว่าเปิดใจที่จะรับฟังอย่างเต็มที่เพราะอะไรเขางี้โสดลงฟังตั้งจิตเพื่อจะรู้ยิ่งเครียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสเช่นใดเขาตั้งใจไว้เพื่อจะเป็นเช่นนั้นเลยเขาคิดไว้แบบนั้นนะนะคือการการที่ฟังธรรมเนี่ยนะคนสมัยนั้นกับสมัยนี้อาจจะความแตกต่างกันอ่า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 จินตามายะปัญญาภาวนามายะปัญญาตรัสรู้ด้วยสมถะตรัสรู้ด้วยวิปัสนาทั้งหลายเป็นข้อปฏิบัติที่ทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิดก็คือโลกิยานและก็โลกุตระยานย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่ออริยผลนะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งคืออริยมรรคเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่ออริยมรรคเป็นไปเพื่อพระนิพพานมันข้อปฏิบัติที่ชอบที่ถูกต้อง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 ทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิดเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานดูกวานพิสูุนทั้งหลายมัชฌีมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานนั้นเป็นฉไฉมัชฌิมาปฏิปทา ก็คืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้เท่านั้นคือสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นอริยสัจโดยชอบถ้าตรงนี้เอาระดับสูงสุดเลยก็คือสัมมาทิฏฐิปัญญาที่เห็นอริยสัจโดยชอบสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะก็คือการตรึกระลึกในอริยสัจโดยชอบนั่นแหละสัมมาวาจาก็การเจรจาโดยชอบก็คือเจรจาตามหลักของอริยสัจเนี่ยนะแล้วก็การงานชอบก็คือการงานที่ไม่ขัดต่อการ เห็นอริยสัจแล้วก็เลี้ยงชีวิตชอบก็การสมมอาชีพก็คืออาชีพที่เป็นเป็นฐานแห่งการเห็นอริยสัจความพยายามชอบพยายามเพื่อเห็นอริยสัจระลึกชอบก็ระลึกในทุกควรกำหนดรู้โดยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นเนี่ยนะอสุภะอ น, นิจจังทุกขังหรือว่าตั้งจิตไว้ชอบในอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิแต่ว่าอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดนะ ต้องประกอบไปด้วยองค์แอัดทังกิโกมารโคเนี่ยนะประกอบไปด้วยองค์8คเนะด 8, เท่านั้นไม่ใช่อันใดอันหนึ่งถ้าอันใดอันหนึ่งก็เหมือนกับอะไรละก็คือไม่ไม่สําเร็จกิจเพราะนั้นอริยมรต้องควบคู่กันประชุมกันอันประกอบไปด้วยองค์8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 คือชาติปีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชรลาปีทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์พยาที่ปีทุกขังแม้ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์มรณะปีตุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์อปีเยหิสัมปโยโคทุกโขแม้การประสบสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปีเยหิวิปโยโคทุกโขแม้ความพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักเป็นที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดชังนราติตำปีทุกขัง ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานคันธาทุกขาว่าโดยย่อขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นทั้งห้าอย่างคือตัวทุกข์คืออุปาทานขันห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ถามว่าอะไรเกิดแก่ก็ขันห้านั่นแหละเกิดขันห้านั่นแหละแก่ขันห้านั่นแหละเจ็บป่วยขันห้านั่นแหละตายก็พลัดพรากจากขันอันเป็นที่รัก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 แล้วเหตุทุกขันสมุทัยเนี่ยน ะ, ะแปลว่าเหตุที่ทําให้เกิดขันธ์ห้าคืออะไรเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ที่กล่าวไปแล้วคืออะไรก็คือตันหาที่ทําให้เกิดขันธ์ห้าอันใหม่ตันหาโปโนพระวิกาตันหาที่ตัวก่อสร้างขันธ์ห้านั่นแหละคือเหตุแห่งทุกข์นะนะตันหาอันนี้ก็คืออะไรคือความกําหนัดในขันธ์ห้าความเพลิดเพลินยิ่งนักในขันธ์ห้า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 ทุกขนิโรธอริยศาสตร์เนี่ยนะก็คือความดับเหตุเกิดแห่งขันธ์หคืออะไรก็คือตันหานั่นแหละดับตันหาที่จะดับดับได้เพราะอะไรต้องตรัสรู้ทำเป็นที่ดับแห่งตันหาคือพระนิพานตันหานั่นแหละดับโดยอริยมรรคมีพระนิพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะโดยไม่เหลือด้วยอริยมรรคความสละสละอะไรสละสละความยึดถือหรือว่าสละตันหาในขันธ์หหรือพระนิพานเนี่ยนะเป็นที่สละ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 สุขขนาดไหนพระ น, นิพพานเนี่ยสุขกว่ากามาสุขของมนุษย์กว่าการมาสุขของเทวดามากกว่ากามาสุขของพรหมพระนิพพานนั่นแหละจึงเป็นที่สลัดออกจากตันหาหมายครับว่าหายเมาเลยว่างั้นเถอะหายเมาด้วยอำนาจตันหานาสละศละคืนปล่อยบอกว่าไม่อะไรอาวรกับขันห้าแล้วเพราะว่ามองเห็นขันห้าจะต่างอะไรจากผ้าขี้ริว้วผืนเก่าๆที่รูรั่วเต็มไปหมดเช่นอะไร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 นิสรณัตทยาใยอัฏฐยาใยที่จักแทงตลอดพระนิพพานวันนี้ยังไม่แทงตลอดอนาคตต่อไปก็จักแทงตลอดได้แต่ว่าข้อปฏิบัติที่ทําให้แทงตลอดพระนิพพา น, นนั้นดูความพิสูุน์ทางหลายข้อนี้แหละเป็นทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอาริยสัจเนี่ยนะคือความจริงแท้ของพระอาริยที่เป็นข้อปฏิบัติที่ดําเนินไปเพื่อทำนิโรธ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 กับสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสา ม, มาธิที่เกิดร่วมกับสัมมาทิฏฐิเหล่านั้นที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะทำกิจกําหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทยัยทำพระนิพพานที่กล่าวไปแล้วให้แจม่มแจ้งเจริญอริยมรรคคุณธรรมเปี่ยมระดับอรหัตตมรรคนั่นแหละข้อปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข์ พ้นจากอะไรพ้นจากความเกิดก็เป็นทุกข์ถ้าแทงตลอดอริยสัจหนึ่งทีนะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายในนรกเปรตอสุรกายและเดรชาญมนุษย์เป็นต้นในภพที่8ถ้าเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เห็นอริยสัจเป็นครั้งที่2ก็ถือว่าพ้นจากมนุษย์ในภพที่2เป็นต้นนะถ้าหากว่าเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8แทงตลอดอริยสัจก็จะพ้นจากความทุกข์คือเกิดในการมมพบถ้าเจริญจนได้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ระดับอรหัตตมรรค ก็พ้นจากการเกิดในระดับไหนในวัตตะทั้งสิ้นเนี่ยนะในภพทั้งปวงเนี่ยนะดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขาริยาสัตย์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 กำหนดรู้แล้วพระองค์ก็ทำเสร็จแล้วเนี่ยนะไม่มีส่วนเหลือก็เลยผู้ที่กำหนดรู้ทุกเสร็จแล้วนี่เขาเรียกอาเซฆะอันะอาเซฆะผู้มีการศึกษาเสร็จแล้วจบการศึกษาแล้วแต่ถ้าบอกว่าทุกคนกกำหนดรู้ใครที่ยังกำหนดรู้ทุกอยู่ก็เรียกว่าเป็นพระเสฆะเนี่ยนะ